เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระอันว่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงตรัสตอบคําถามที่พระอานนทเถระทูลถามว่ากลิ่นสูงสุดสามอย่างของคันธชาติกลิ่นเกิดจากรากเกิดจากแกนเกิดจากดอกกลิ่นของคันธชาติเหล่านี้ฟุ้งไปตามลมเท่านั้นไปทวนลมไม่ได้ กลิ่นของดอกคันทชาติใดหนอที่ฟุ้งไปตามลมก็ได้ทวนลมก็ได้พระพุทธเจ้าค่ะทรงตรัสว่าอานนท์หญิงก็ตามชายก็ตามในบ้านหรือนิคมใดในโลกนี้เป็นพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นผู้งดเว้นจากการทำสัตว์ให้ล่วงเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขาม่ได้ให้เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการกล่าวเท็จเว้นจากฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือน้ำเมาได้แก่สุราและเมลไรเป็นต้นเป็นผู้มีศีลมีเบญจา ก, กา ร, รยานธรรมมีความตรินีอันเป็นมวลทินไปปราดแล้วมีเครื่องบริจาคอันสละแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มแล้วด้วยการให้ยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานย่อมอยู่ครอบครองเรือน คือหมายถึงทาเป็นกิจวัตรในชีวิตประจำวันสมณพราหมณ์ทั้งหลายย่อมกล่าวถึงเกียรติคุณของหญิงและชายนั้นว่าหญิงหรือชายในบ้านชื่อนนๆเป็นพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งยินดีในการจำแนกทานเป็นต้นอนนท์นีแหละเป็นคันตชาติมีกลิ่นฟุ้งไปตามลมก็ได้ฟุ้งไปตามลมและทวลมก็ได้ดังนี้แหลเรากล่าวว่า กลิ่นศีลเป็นเยี่ยมกว่าคันทชาติทั้งหลายนั่นในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบารรลุอริยะทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละ